ก็นั่งอย่างนี้เป็นรายไปถ้าองไหนที่ควรจะรับได้เราสมมติมว่าเราบอ ก, กอย่างสองเงื่อนองนี้จะสามารถทราบได้ถึงสีเงื่อนแล้วก็บอ ก, กอยงสองเงื่อนถ้าองไหนที่ควรบอกอย่างเงื่อนเดียวจะสามารถสูบเงื่อนกันไปไ้หมดทังสีเงื่อนเราบอกเป็นเงื่อนเดีย ว, วถ้าองไหนที่จะไม่ได้เรื่อง เราจะบอกถึงสามเงื่อนบอกถึงสี่เงื่อนเลยถึงขนาดนั้นไปยัง เ, เอาห้าเงื่อนมาอีกด้วยเราบอกยังสี่เงื่อนเงื่อนที่ห้าเอามาคือเงื่อนบ้าเข้าใจไหมเงินได้มาอีกเพิ่มอีกโ้โหเราจะตายนะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยเพราะว่าผู่มาหาเรามาศึกษาอารมเนี่ยมันจะต้องอ่านปรุงกันอยู่ในนั้นเสร็จเนี่ สั่งแต่และอย่างละอย่างนี่เป็นการอ่านภูบนพลนั่นเองเนาะเราจะปฏิบัติยังไงนี่เวลาสั่งนี่เราจะเคลื่อนข้าศัตรไหมแล้วเมื่อเคลื่อนข้าศมาเราก็ทราบก็ทราบทราบจะพูดบ้างมาพูดบ้างเฉยจะอ่านไปในตัวนั่นแหละมี่นั้นเป็นประจำอย่างนี้เราอยู่ในวัดสอนพระไม่ได้มาทึ้งวัดจะขึ้นบนธรรมะนุ่นคนขื่อเรืองตั้งนะโมตัสสะคือ ท, ที่ว่าสอนคน่พมาสอนอย่างนั้น ยั่จึงหนักยิ่งถ้าอาจารย์มั่ดไว้แล้วโอโ้โหอุบายสอนคนนี่ท่านเียงยักออกมาเท่านั้นแหละม<อ>ันนั่งงงเป็นไก่ตาแตกไปหมึ่เลยท่านยกตัวอย่างท่านว่าอย่างนี้นะถ้ายกตัวอย่างเวลาท่านจะพูดท่านก็บอกเออผมได้แนะนำสั่งสอนมาหมู่บ้านมาเป็นเวลานาน ไม่ทราบ ว, ว่ากี่สิบปีมาแล้วเป็นไรอย่นี้นนนะแล้วหมู่เพื่อนได้คิดยังไงบ้างเท่านั้นนะ่ะนิสิตีพระมายว่างไงล่ะอย่างนี้ล้วก็ค่อยฟังใครๆคคคคก็ฟังเงียบไันมีใครพูดเลยท่านจะเงียบท่านจะคอยฟังเสียง น, นี่มันจะออกท้องไหนหรือว่าอยู่ทั้งวันมันวัดตั้งแต่เปลียวอะไรเปลวบ้านเข้าใจไหมช่องบ้านมันทั้งวันก็ไม่ทราบ พอไปตกปากรูเหมือนแย่เนี่ยพอตกปากรูปั้มมันปึ๊บปั้มช่องบ้ามไปแล้วมีด อ, อกช่องนั้นยี่ด อ, อก่องไหนต้องรู้แหละเคยเห็นไหมแย่อยู่ในวัดเยอะแยะไม่เห็นได้ไงมันมีรูมีรูแล้วมันยังมีช่องหลบภัมันอยู่มันไม่ใช่ช่องบ้าเหมือนท่านนะช่องของแย่เนี่ยนะมันช่องหลบภัช่องของต่ามันช่องบ้าเข้าใจไหมหล่ะท่านพูดอย่างนั้นก่อต่างคนต่าเงียบ นี่เราจะแปลว่าอย่งไหนคุว่าเนยนี่ผมแนะนาําั่งสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วหมู่เพื่อนที่ได้มาทึกสาวรงแต่ ม, มีความรู้สึกยังไงบ้างท่านนั่นให้ทา่านนิ่งก่นานพระกำลังอยู่ในที่ประชุมก็นิ่งเงียบหมดมีพระบ้าอ้วนเดียวเนี่ยผิดก็ถูกกูก็ขึ้นช่องนี่ีะก่อนเธอะว่าจะจนช่องบ้าช่องนี้กูจะขึ้นช่องนี่ละกู ครูฟังว่าช่องนี้มีนะางเรามีช่องเยว้อนเราด้วอแต่ก็ควถูกนั่นแหละเขาบอกว่าคิดเต็มหัวใจระหว่างี้เลยเรื่องคิดเกี่ยวกับตัวเองแนละครูบาอาจารย์ที่ให้การ <c oughs> อบรมสอนความเมตตานั้นคิดอย่างถึงใจเ่อกันนี้ความยุ่งวุ่พนพันจิตนี้ยุ่งเกินประมาณเกินกว่าที่เราจะทําอะไรต่ออะไรในวันครูบาอาจารย์ที่จะมาให้เป็นแบบเป็นขบับไม่ได้ เพรเวลานี้กําลังยุ่งภายในนี้มาก่าเออเอาล่ะน่ะสำคัญที่นี้นะเรื่องยุ่งภายในกับเรื่องยุ่งภายนอกยุ่งภายในเป็นไปเพื่อความค้นทุยุ่งภายนอกเป็นผลปล่อยได้ต่างหากคําตอบที่แท้พอที่ความหมายก็ว่าฟังมาขนาดนี้ใครได้จดใจหรึกใครได้อะไรๆใครจะเขียนอะไรออกไว้บ้างหรือจะปล่อยให้มันมันหายสูญไปตามอากาศทั้งหมดความหมายท่านว่าอย่างนั้นเราคิดนะ เพราะเราจะบอกเราคิดอย่างเต็มหัวใจแต่เวลานี้กำลงังยมากคือไม่สามารถที่จะเขียนจะอะไระของท่านได้คุณคาวามหมาเรายุ่งของเราจริงๆท่านก็ตอบมาทันทีเลยลเอาละพันว่ายุ่งภายในเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกยุ่งภายนอกเป็นผลคอยได้ต่างหากพันว่าผลผลได้หมายถึงว่าขอให้เต็มภูมแล้วการแนะนำสสอนคนนึกจะทําอะไรคนนัน้มันง่ายยิ่งกว่าที่เราจะนําราฐานั้นทุกคำคำ น, นี้มาแจกคนนั่นใช่ไหมละ่ะ ถ้าไม่มีอะไรไมันก็ไม่มีอะไรจะแจกความหมายว่า ง, งั้นถ้ามีถ้ามันะจะแจกได้เนี่ ย, ว, มมยว่า ง, งั้นหรืมั้งพระงก็เลยถ่านไปเนี่ยยกตัวอย่างอย่า ง, งนี้เป็นต้นนะถ้ามันได้พูดอะไรมาก ม, มายเน่ะท่านแยกแยกออกมาก็สั่งใครอะไรนีงเหมือนกันแยบเพราะนั่นคือท่านให้เอาไปคิดเพราะผู้มาศึกษาต้องใช้ส ต, ติใช้ปัญญ า, าไมงงาาอไ่อย่างนั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงกิเลสมันมีความฉลาดแหลมคมเหนือโลกธาตุมันถึงด้วยครอบหัวโลกธาตุนี่ แล้วสติปัญญาไม่พรอสติปัญญาทําเป็นเป็นมีสติปัญญาเป็นต้นนนี้เป็นสิ่งที่ปราบที่เด็ดทั้งหลายที่ตัวฉลาดไม่อะไรเกินยิ่งกว่าธรรมหล่านี้ไปได้ถ้าอันนี้ไม่มีก็ปราบไม่อยู่เพราะท่การสอนท่านยิ่งสอนเรื่องของสติปัญญาเป็นของสําคัญมากเ<ไ>มื่ออ่านสติปัญญาคนนี้ออกอคนนี้มีอันนี้นี่ควรจะปราบทีเล็เประเภทนั้นประเภทนั้นได้แล้วควรจะปราบไปได้โดยลาดับเพราะสติปัญญาเมื่อผิดอยู่เสมอนะจะแตกแขนงไปและสามารถแก่ข้ารอบตัวได้นั่นควาหมายว่าอย่างนั้น การเสี่ยงข้ามกับกูกผิดลูกหาแต่ลละรายนี่จึงมีแต่อุบั้งนั้นท่านละท่านจะมั่นจะเบาพุ่งเปรี้ยงเปรี้ยงไปเลยไม่แต่ก็ไม่แน่นะถ้าทำไปบินทบาทกับพวกที่หนึ่งขั้นกับแบกออกแบบหนึ่งพราคนคนหนึ่งขั้นแบบหนึ่งนะเช่นดันไปบินทบาทแล้วกับพวกมู่เซอร์เวือบินทบาเนี่ยตัวเจ้าอะาอันนี้ชูกินเป็นชูกินได้กะนกินได้กันนั่นท่านบาท่านตอบ อันนี้สุกินได้ไหมเขาบอกว่ากินได้ที่ผักเขาก็ไปคว้าเอาผักมามาใส่บาตรท่านอแล้วก็ชี้เข้าไปในรังไข่กินเห็นไหมอันนี้ส้กินได้ไหมไข่ในรังบอกว่ากินได้แล้วก็คว้าเอาไข่มามาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไข่อย่างนี้เราไม่กินบอกทําไมออสูถึงว่ากินได้ว่าอ๋อเรากินกินกินได้เรากินได้หลายหลายแง่แล้วไม่ได้กินได้แบบนี้ท่านว่าท่านก็ผ่านไม่งั้นติดเขาเนี่ย เนี่ยถ้าไปหาพวกนั้นทางกระบอกอย่างนั้นกินได้เห็นว่ า, างั้นเขาอะไรอะไรมาท่างกระบอ ก, กได้แต่ถ้ากับคนเราที่ทั่วไปที่ไปรู้อย่างนี้แล้วจะไปพูดอย่างนั้นได้อย่างไงใช่ไหมมันมีหลายขั้นหลายโครงสอนอ น, นุบาลอย่างหนึ่งสอนปฐมหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหนึ่งปริยมหนึ่งสองสามสี่หาไปเป็นหนึ่งปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสอนอีกแบบหนึ่งมันหลายแบบกันเนี่ยหลักธรรก็ตั้งแต่พื้นพื้นของธรรมไปจนกระทั่งถึงธรรมละเอียดสุดจะไปสอนแบบอย่างอย่างนี้ได้อย่างไร อย่างท่านอาารยมั่นท่านสอนคนน่ะสอนท่าถ้ามีจะพูดทางใจศึกษาปฏิบัติด้วยการทั้งนั้นมุ่งสติปัญญามุ่งการอบรมเพื่อความพ้นภูมิเพราะจะไปสอนแบบชาวบ้านแบบอะไรๆไม่ได้ถ้าไม่เอาท่านจะสอนให้คนฉลาดมีตรงแยบตงนี้ใครจะจับได้แล้วแยบตรงนี้นิดนิดนิดนิดเทให้ปฏีแผ่เองสติปัญญาเกิดขึ้นกับเจ้าของเองนี่กินไม่หมดแต่คนอื่นหยิบยื่นให้แล้วมันหลุดไม้หลุดมือไปได้ เมื่อย่างเราของเราไปหาหยิบยืมมาจากคนอื่นคนใดนี่ยเมื่อลาหมดแล้วก็ไม่มีปั ญ, ญาหาแต่ถ้ามันเราผิดได้เองเกิดด้วยสติปัญญาเราเองกินมั น, นงั้นค่จนกระทั่งตายไม่หมดน่ะธรรมะอย่างนั้นเข้าใจไ่มที่พูดอย่างเนี้หรือจะขึ้นพุทธนาบนทนานาต้องกอืมหรือเข้าใจว่าแท้หรื อ, อยังนี่หรือจะขึ้นตั้งนโมต้องเด็กมันจะตายนะกูไม่ตั้งนโมนี่นะ่ะมันหมดไป ท, ทั้งๆที่ไม่ตั้งนโมอารมณะนะ อ, อะไรอย่างนี้ วงพ่อครับคำว่าสติปัญญาเนี่ยฮะถ้าพูดจนถึงยังยังไม่ถึงซึ่งติดขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาจะเกิด น, นะลองทําำก่อนที่ได้อะไรเกิดก่อนเกิดหลังทำมาเล่าอาจารย์ฟังมั่งสิ อ, อาจารย์พูด็นหมดลมแล้วสําหรับผู้ที่ยังไม่รู้เ น, น, นี่ยฮะนี่ติด <ST AR> ต่อยมาหสวนเลยหมานัก็คนหนึทียต่อยอแล้วนี่เขากระดูกรดิ่งตรงนี้แต่จะอา พอใจไหมพอใจก็พอใจไม่ต้อรู้ไปอยแต่จะมีคำามเผื่อพอใจแล้วคอจะเปลี่ยนมันมีนิทานนะจะเล่านิทานให้ฟังอยากก็ตามนั้นเราคูดว่าเป็นสติสอดใจเต็มยไปเรื่องความระวังเรื่องความระวังคือเอ๊นั่นมันไปเจอจอังมันหนึ่งแล้วมันเสร็จใจมาล่ะมันไปต่อนกเขาตื่นเช้าก็ไปต่อนกเขาทั้งวันถ้าไม่สมใจจะกินเลยพอพอตื่นเช้าก็ไปต่อนกเขาจงกระทั่ง่้านกเขา ไปนอนหมดแล้วถึงมามาบ้านวันนั้นก็ไปต่อรุกเขางันมันไม่ได้สนใจกับการกินข้าวกินไม่กินไม่สนใจที่นี่แม่ยายคงเป็นแม่ยายเหมือนนี้แหละท่ามีแม่ยายจำใบซะหน่อยเนี่ยก็เลยคิดว่าเออไอ้นี่มันยังไงวะตื่นตามาข้ามันไม่เคยสนใจกับข้าวกับน้าเหมือนการงานแล้วมันก็ไม่สนใจมันแบกได้พันเนียดแล้วมันก็โยงไปทุกทุกวันจนค่ำถึงมา มันไปอยู่ยังไงมันไปกินยังไงคูจะไปแอบดูมันก่อนหน้ามันเป็นไงวะแล้วปลาก็เดินแบกดาเสียบมาอยู่มาไปสีดาๆเหมือนสีมูจองอ่างองี้ยนะแล้วก็ปลาก็เข า, เขาทำํำนาเสร็จใหม่ๆนี่ปลาฟาร์มก็ขึ้นแล้วเขาก็วางข้าวค่อนข้าวเขาน่ะเป็นทางเป็นทางเป็นทาแล้วปลาด้ยินเสียงนกเขามันขันคูอยู่ต้นไม้พมันครูตึงที่นี่ได้ยินเสียงนกเขาขันสองตัวสามตัวนี่ ยาหนูก็แอบไปแอบไปพอดีแอบไปก็กาลังเหมันมากาลังขานดูโลกอ่นั่นตรงนี้จะถึงจุดสำคัญนันเองระวังอ้นี่ น, น, าา น, นะระวังไอ้นีนะผู้ชายนาั่นสำคัญมากกว่าผู้หญิงอ่ะเ น, นี่เราตามธรรมดาเราไม่ได้นุ่งกางเกงเหมือนอย่างตุวนี้นะเรานุ่งจุเรานุ่จงจุกกระเบนเนี่นีนจะตามไปเรื อ, ขอยขึนเขาเือยท โจงกระเบนมันก็นหลุดลเะาไมหลุดมันก็ไม่สนใจมัก็ทานไปเลยไอ้แม่ยาก็คานแอบไปดูพอดีไปถึงทางมันอ่าคลองๆเลยนี้นะเขาวางข้อนข้าวนะพอดีไอ้ลูกเขยผ่านตอนนี้ปั๊บแม่ยาก็แอบไปถึงนี่ไปก็พอดีไปเห็นมันนั้นแหละนะมันอะไรกันมีหน้ไอ้ไอ้นี่หนาวว่างก็มันก็นเลยดัมดั้มเสียมาอยู่เนี้ยซอดก็ไปเนี่ย จะไปทำมึงจะเจ็บจะเบียงบากฮาใว่ไหมถึงข้อหมายนะเข้าใจไหมข้อสอดไปพอดีมันไปไปถูกนั้นทางภาษานี่เขาเรียกว่าอใบวีข้าวนั่นนะอือเขาเรียกอะไรภาษาบากกลางเรียกอะไรข้าวที่ที่ใบข้าวมันแห้ง่ะแต่มันไปถูกที่ค่อยสอดไปนี้มันก็แอะแอแอะมันเหมือนเสียงงูจช่ไห้ล่ะไอ้ท่านั่งกําลังคานอยู่นั่นน่ะ แล้วมองไปข้างหลังที่มอ ง, งมองไปข้างหลังไม่เห็นดำๆมันนึกว่างูจมางที่ที่นี่กรจห ม, มก็อ้างแต่เดียวมออไม่ไม่ได้หลายคำนะอ้างอันเดียวก็คื อ, อไปหมายมาจมางเองะอ้างเยะเหนนนี่แ <c ười> ม่ยายเกลับมาบ้านอันนั้นโอมันเอาจิงเาจังนะมา โอ้ใครจะไปแถวนั้นน้งูจังงาตัวเ <laughs> ท่าดำเสียมในี่แท้ๆเราก็ดาเสียมว่างตัวเท่าดำเสียมเละใครจะไปแถวนั้นนมันอยู่ยังไงก็ไม่ทราบนะว่ามือชาน้าเกลือกัดก้นกูน่ันงมันได้บอกว่ากัดน้ำมันนมันลอเกลือกัดก้นกูมองไปนี่มันกาลังด้วยนะมันทำนี่มาว่ามันตัวเท่าดำเสียมเราดีดีหนา่างนั่นนมันบอกว่าเท่าดาเสียมเพราดำเสียมนั่นแลวสามวันมันจะไปอีกทีนี้พอไปเน่ออะไรน่าที่นี่นะ พอไปมีอะไรแค่อ้างวิ้เข้าใจเวลามันได้ตื่นแล้วไอ้ยาคุณจะอ้างรไปเเดียวนี่มันกานคนเตรียมจะเป็นบ้าอยู่แล้วที่อ่านมันก็มันก็อ้างทีเดียวเลยเข้าใจหมมันจะออกช่องบ้านั่นแหละนี่แหละเวลาไม่ท่านมาสะดวตรงนี้ตังหากเนแล้วนทานก็จบด้วยะจบไปแล้ว น, นะจะเตรียมเป็นบ้าดีนะฮะอย่าเพิ่งใหเป็นเลยแล้วแล้วผมจะทีในบ้านเนี่ย <c oughs> เราพูดเราพูดมีประโยคจบ <c oughs> มีเห็นมีผลทุกคนกนแล้วผ่านผ่านผ่านบ่านไม่มาท่ำท่ำตักซ่าพอ <_ C> เราให้พูดเพื่อความเพลิเพลินแล้วไม่พูดเพื่เพื่อความอยากแต่ละพูดเพื่อเหตุเพาผลต่างมันสัมผัสเรื่องใดแล้วก็นําเรื่องนั้นออกมาพูดเป็นเครื่องประกอบแล้วก็ผ่านผ่านผ่านมีความจําเป็นเท่านั้นเข้าใจเลยละที่พูดเนี่ยออ <_ C> วันนี้คุลงบ้าความเข้าใจานะเ <c oughs> มื่อวานนี่ยพาคุณบ้าทัง้งวัดเราเลยยุ่ง ใ, ใหญ่หัวหน้าหัวหน้าบ้านยุ่งใหญ่บ้าน <c oughs> นานได้ออกมาบ้าเอะพ่อ <c oughs> แหน่บอกอยู่แล้ว <c oughs> โอ้พ่อไปแทะ น, นะพ่อลงบ้านนี่พอไปแทะ ทำก็ไม่เจ้าเราจะเห็นได้ชัดเสียนว่าสอนผนให้ฉลาดถ้าผู้มีธรรมเเริ่มจะเป็นผู้ฉลาดมีเหตุมีผลอย่างในความเคลื่อนไหวการพูดปิบัติคำพูดคำจานหนักเบามากน้อยที่จะควรออกนำออกท้ายมีเหตุผลประกอบโดยำลำดับรวลาจะเป็นแง่หนักแง่เบาก็มีผลมีประโยชน์ตามตกันนะท้อมเพราะมีเหผลทุอย่างพูดไม่ผิดทางวิยาทางหล สวัสขาธรรมตรัสไว้ชอบชอบไม่ชอบยัง ไ, ไงพระสติปัญญารอบตัวหมดความตั้งทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมันนั้นมาสอนโลกด้วยพระสติปัญญาที่รอบตัวทําจึงเรียกว่าสวิ์ขาธรรมแปล ว, ว่าตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องในนามท้กอย่างไม่ว่าทําขั้นใดเป็นนิยาน้ก็ทําด้วยที่จะขับสิ่งที่เป็นข้าติกตกกระปกสมมติอะไรออกได้ด้วยน้ํามันสะอาดคืออัตธรรมนั่นเลย ทำจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยดังที่โมขะบุคคลเศษคนเขาพูดกันศาสนาเป็นของคือของลาสมัย ค, คนนั้นคือคนคือคนลาสมัยจนใช้อะไรไม่ได้นะถึงจะทำมีาศาสนาได้ลวงครัาศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ทำคนตั้งแต่ คนดับดให้เป็นคนละเอียดทํำคนตั้งแต่โง่โง่ขนโง่ให้ฉลาดฉลาดสูงสุดทำคนชั่วตั้งแต่ชั่วที่สุดจกนกระทั่งถึงดีที่สุดได้เพราะทำเท่านั้นความชั่วไม่ได้ทําคนให้ดีได้เลยนี้จะทําคนให้ชั่วหนักลงไปเท่านั้นความดีนี่ทําคนให้ดีได้โดยลํำดับจนจะทั่งถึงดีสุดยอดแม่นองน้อยจากธรรมของเจ้านี่นเลยคนที่เคเป็นนี่เขาเล่ากล่าวไหบูชาของโลกมาตั้งแต่การไหนไหนแะล้วต้องเป็นคนมีธรรมปฏิบัติธรรม มีทำเป็นเครื่องรักษาดังว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดกระดูบมาอยู่ในโลกของเรานี้ไม่ทราบว่ากี่หมกี่แสนกี่ล้านพระอ้เพราะโลกดีๆมาตลอดอนันตกาลอยู่แล้วพระพุทธเจ้าองค์นี้ตัดกรูบผ่านไปแล้วแล้วองค์นั้นกลับมาแล้วองค์นั้นก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่นี่ตลอดเมื่อหลายครั้งหนึ่งก็มากเอง แล้วท่านเหล่านี้ไม่ฉลาดเป็นผู้ที่จะมาได้ไม่ฉลาดสอนโลกไม่ได้โลกมันโง่อยู่แล้วจะไปต้องการคนโง่มาสอนทำไมโง่อยู่แล้วต้องการความฉลาดมาสอนนะพี่มืดแล้วต้องหาความสว่างมาคนหิวคนก็หายต้องหาเครื่อง ย, ยารักษาบาบัดรักษาไม่ใช่จะหาความหิวมาเพิ่มเติมกันมนุษย์เราต้องสาดมันโง่มนเงี้ ถ้าไมมีคนสลาดมาสอนจะเอาความสลัดมาต่าไหน ต, ตตนตัวตัวบรรจุด้ยวยความหงดเต็มพุงอทำบุยเจ้าจึงเด่นหัว <c oughs> ใจนะอยากเข้าใจว่าธรรมนี้จะเด่นที่ไหนผู <c oughs> ้อยากจะทราบว่าธรรมของมุยเจ้าที่ท่านว่ามีอยู่ประจําโลกตลอดอนันตการมีอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามจะมีอีูมากน้อยถ้ามันมีเครื่องสัมผัสสิ่งนั้นก็เท่ากับไม่มีเราล่าจว่าแต่ธรรมเน่ย วัตถุต่างๆตาไม่สัมผัสอวัยวะไม่สัมผัสสิ่งนั้นเหมือนไม่มีอากาศว่าอากาศร้อนอากาศหนาวถ้ามัามีส่วนสิ่งสัมผัสก็ไม่มีความหมายอากาศเหล่านั้นก็มีความหมายเหมือนไม่มีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวัตถุต่างๆรวมแล้วว่าเป็นธาตุดินถึงจะมีอยู่ในแดนโลกฐานนี้เต็มประมุขตามเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมห ไม่ใช่เป็นที่สถิตของธรรมและไม่ใช่เป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์รับทราบความอย่างละเอียดของธรรมได้นะตั้งนี้ย้อนพมาถึงตัวของเราตาไม่ใช่วิสัยจะสัมผัสทํามได้หูไม่ใช่วิสัยจะสัมผัสทํามได้จมูกลิ้วกายไม่ใช่วิสัยจะสัมผัสสัมพันธ์มผัธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่นั้นได้นี่สรุปลงแล้วก็มีใจเท่านั้น สามารถที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายได้ตั้งแต่ทำขั้นยากขั้นกลางขังข้นละเอียดจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสูงสุดยิมุติณิพา น, านมีใจเท่านั้นเป็นผ ส, สัมผัสเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ออกลมใจซึ่งเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมดีแล้วให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมข้าพเ ด, ด้าโดยตั้งแต่สมาธิธรรมมาธาอุ ป, ปัชฌนาความส ง, งบความรู้แจ้งเห็งจิงใครจะเป็นคนรู้แจ้งเห็นจริงถ้าไม่ใช่ใจน่ะ ธรระใครจะเป็นผูส้สงบถ้าไม่ใช่ใจธรรมคทำเจอความสงบเข้าไปใจรู้เองเจอปัญญาเข้าไปใจก็รู้เองเจอวิมุตติพ้นไปใจรู้เอ ง, เ, ออ เ, องเพราะใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ใจผู้รับทราบเพราะทะ่านทำทั้งหลายจึงมีใจท่านั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ตาหูจมูกนี้การไม่สามารถยืนยันทำทั้งหลายว่ามีอยู่อย่างไรบ้างมีอยู่ที่ไหนได้เลยมีใจท่านนั้นถ้าเราอยากจะทราบว่าธรรมมีอยู่มากน้อย จนกระทั่งถึงความพระเจรย์แห่งธรรมนะให้ปฏิบัติจิตพห้ยามฝืนหัดดัดแปลงยึดธรมานจิตตัวพยศ ด, ด้วยอำนาจของยีเหลือลายพยศนี้ให้มันหายพยชศลงไปเดิมนะเราจะเห็นความดีงามของจิตแสดงตัวขึ้นโดยลำดับในขณะเดียวกันก็ทํานั่นแหละพาให้แสดงขึ้งทานในถ้อนนี้ก็เท่นจตามความต้องกวรละไม่เกิดมากอะไรนั่กละเพราะมันเท่นมาตั้งแต่ น, นู้นตั้งแต่โ น, น่นมันยังไม่เริ่มรับเริ่มรับทานมามั้ง ไ ม, ม, ม, ม, าา ม, นนม่ได้น้ำโมมันต่ลุยแม่เครื่องมันแนี้อาท่านจะรับศีลก็ได้ใครจะรับศูนก็รับรับศีลก็เลยรับเอาไปลไปแหลกหมดเียรับศูนย์เออทำลายแหลกหมดรับศนนมีสิ่งที่เร่างด ไ, ได้ลงก้าดได้สบายเลยอันนี้ธรรมดาฟุ้งเลยหรอเาอาย ก็เลือกมันเป็นอย่นจะไปไปอามันเรานํานมาเรือกมาพูดมันจะอามันทาไมใช่ไหมบางทีมันเป็นมันร้ายยิ่งกว่าเรามันยังเป็นได้ใช่ไหมล่ะถ้าจะอามันอีตาทั้งอามากกว่าเราเราพูดด้ยอีตานั้งมันจะไปอามืออีตาอาอักอ so so ีตาต่อเขาเนี่ยมันน่าอามันตามันทาเองมันก็เห็นอามันไม่กลัวแล้วล่ะอามีเราเห็นไล ยาคู ah, like ่ยาของมันตามความสิ่งทราอายเราทำไงนะร้องกลางอะไรเงี้ยเครสยารสเรมามีทันแลาวมาสัมผัปั๊บยานิทานนี่ออกมาเป็นเครื่องประกอบปั๊บปแล้วผ่านผ่านไปดีไปไปถึงนั่งไปสมผัสนั่งยทานนั้นออกมาประกอบปั๊บปับคือประกอบเครื่องตอบรับกันนี่ยจะผลกระโดดนี่ก็ได้เดน ความรูก <Stella> อะรมันก็ได้เด่นแล้วก็ถามถามถามว่ามีอะไรก็เหมือนไม่มีอะไรอยู่ๆล้วไม่เคยพูดนี่แต่อยู่ในวัดพระเนรเรานี่เราไม่เคยพูดหรอฉันดูจะพูดนี่ท่านนี่ทานนี้พระบงังไม่หิ้แต่เท่ามันสัมผัสแเราไม่ต้องว่าพระวานเนใครก็ตามพูดได้สบายคือเรเอาเหตุเอาผลเท่านั้นเราไม่พูดเรือความคึกขนองอะไรนี่พูดเราเห็นผลสอนคนให้เป็นคติฮ ถ้าไม่พูดเพื่อความพูดขนองนี่ว่าเราจะไม่อายพูดไปได้สบายตามเหตุตามผลในเรื่องการสอนคนที่จะสอนไปใงแง่ไหนที่จะไปยิ่ง จ, จะเกิดประโยชน์กผู้ฟังผมจะนะนเราผู้สอนให้เข้ากันั่นคืออท่างนั้นมัจะต้องพูดเลยใครจะได้ถึงก้อนน้ำก็บอกใครจะไดุนไปนักแข้ง ทำไมเราะว่ามีต้องสิงต้งถูกปหรือไม่มีแรมากสนัตรมือจะถูสิงไมีได้ที่อยรัดับท่านไปแล้วก็ไปย้ำแหลกหมดจะให้เป็นแกนก็เป็นไม่ได้ให้เปนยาก็ปนไม่ได้แต่ให้เป็นสุ่ยนี้เหรอถูกสิงหน้าม่จะม่สิติดตัวรับไปแล้วไปทำลานแหลกแล้ววันหลังมาขอใหม่ไมายังทันแกถูกใครจะไปจนเศษสีสีมาจากไหนมาให้คนมันนั่งหาใช่ไอมไปยําจีๆแหละหมดแล้ววาทหามาม่ย้ำทันแกอยูอ่เงี้ นี่และเขาอยากรับสีนปางกานี่แหละคุยรับสีนรับสีไปรับไปรัตไปรับร่างกายทุบๆตามันเรียกรับสีมันมีทั้งสองอย่างบางคนไม่ไพูดว่ารับสีแต่ยังไงทั้งๆทตัวการมันตั้งคักมันเป็นตัวตัหารสีให้หลยมีอยู่เยอะเชื่อไหมว่ามีฮะเชื่อเหรอทำไมชื่อน้าใจจะเเราดูไม่พูดนะฮะเนี่ะ นามุตตสัวโระคะโตสัมมาสัมพุทธะนมตตสพพโยระะโตสัมมาสัมพุทธะนมพุทะพยโยตระะโตสัมมาสัมพุทธะ ยัมจุนจังจังสดินนองวัังันงงดนงวััง ขาสู่ทธาตามท่านการบริการในยาวเลยแล้วสีคุ้มค่าฟ้าดมาีงม Mm-hmm. <laughs>